รวมสิกขาบทที่มีในโภชนาวัตรโภชนาวัตรมีสิบสิกขาบทคือ 1. นาวสถาปินทศสิกขาบทว่าด้วยการฉันพัฒหารในที่พักแรม 2. คณาโภชนาสิกขาบทว่าด้วยการฉันคณาโภชนะ3ปรรมประโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันปรรมประโภชนะ 4. การน ม, มาตุสิกขาบทว่าด้วยมารดาของนางกานา 5. ปฐมปวรนาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพปทหานข้อที่1 6. ทุติยปรวรนาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพปทฐานข้อที่2 7. วิกาลโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล 8. สันนิทิการโรคสิกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะ 9. ปณีตะโพชนะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีต 10. ทันตะโปณาสิกขาบทว่าด้วยการรับ เค้นอาหารนอกจากน้ำและไม้ชมระฟัน